เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายตะถาคตเป็นผู้ครอบงําไม่มีใครครอบงําพระองค์เนี่ยครอบงาสรรพสัตว์ทั้งหมดแต่ไม่มีสัตว์เหล่าใดมาครอบงําพระพุทธเจ้าได้พระองค์เป็นผู้เห็นอย่างถ่องแท้พระองค์เป็นผู้มีอํานาจเนี่ยอำนาจที่ไหนบ้างในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมมาพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่า พระตถ า, าคตเนี่ยนะเอาพรมเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ได้เสศษเสี้ยวของพระองค์ะนะพระองค์นี่ครอบงําพรมแต่ไม่มีพรมเหล่าใดครอบงำพระพุทธเจ้าได้พระองค์เนี่ยเป็นผู้เห็นถ่องแท้ในระบบของพรมบางทีพรมยังเละเลือนเลยนะพรมบางพรมบางพวกยังหลงลืมเลยเช่นพกาพรมเป็นต้นยังเลอะเลือนหลงลืมเลยแต่พระองค์ไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมไม่อะไรนะั้นมีอํานาจเหนือพรมโดยประการทั้งปวงว่างั้นจะกล่าวไปใยัยถึงสัตว์เหล่าอื่นเล่า แต่ก็ยังว่านะความที่พระองค์ดับขันปรินิพานไปแล้วไม่ค่อยมีใครรู้คุณของพระองค์ก็เลยก็ยังว่าเรียกว่าพุทธศาสนาอันตรธานก็เนื่องจากไม่มีใครรู้จักคุณของพระพุทธเจ้ามากว่าคนที่มีความดีเนี่ยให้หายไปเลยทําไงบอกแกล้งลืมกันก็หมดแล้เนี่ยนะไม่เหลือแล้วสรุปว่าบทว่าตถาคตนี่เนนะตะถาคโตเนี่ยมีอนุภาพอนุภาพของคําว่าตถาคตยิ่งใหญ่เหมือนอะไรเหมือนอยาถามว่า อนุภาพของพระ ธ, ธาคตเนี่ยคืออะไรก็คือความงดงามแห่งเทสนาและกองแห่งบุญถ้าไม่มีพระ ธ, ธาคตเทสนาเหล่านี้จะมีไหมคำสอนในพระพุทธศาสนาจะมีไหมัมนความคาวัตถาคตเนี่ยผ ล, ผลผลิตของคำวัตถาคตก็คือความงดงามแห่งพระธรรมเทสนาทั้งหลายและกองแห่งบุญทั้งหลายเพราะมีพระ ธ, ธาคตขึ้นมาในโลกเนี่ยบุญมีเท่าไหร่อ่ะอนะมีผู้ทำบุญเท่าไหร่เนี่ยนะ จึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นแพทย์ผู้มีอนุภาพมากครอบงําผู้มีลัทธิตรงกันข้ามทั้งหมดครอบงําโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยอนุภาพด้วยพุท ธ, ธานุภาพเนี่ยธรรมานุภาพของพระองค์เนี่ยพระองค์จึงสร้างสังขานุภาพขึ้นได้สังขานุภาพนี้เกิดจากพระองค์สร้างขึ้นนีธรรมานุภาพก็เกิดจากสิ่งที่พระองค์เนี่ยปฏิบัติจนได้ตรัสรู้แล้วโดยมากพระองค์สร้างขึ้นอริยมรรคเนี่ยพระองค์สร้างขึ้นด้วย มายว่าสร้างขึ้นด้วยมือของพระองค์เองแล้วก็บอกกล่าวให้ผู้อื่นเจริญตามเนี่ยนะนั้นพุทธานุภาพนั้นยิ่งใหญ่สร้างธรรมานุภาพขึ้นสร้างสังขานุภาพขึ้นเนี่ยนะเพราะะนั้นอันเนี้ยอนุภาพของพระองค์เนี่ยจึงครอบงำลัทธิมิจฉาทิฏฐิสารพัดลัดทธิได้หมดเลยแล้วก็ครอบงำโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะเพราะนั้นอนุภาพคือความงดงามแห่งเทศนาและกองบุญเหล่านี้ไม่วิปริต ไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิปลาสคลาดเคลื่อนเขียนขึ้นมาหลอกอนนะั้นมาโตกันขึ้นฝันเอาไม่ใช่เพราะว่าพระองค์มีคุณธรรมดังที่กล่าวไปแล้วครอบงำโลกได้ทั้งหมดคุณธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในพระองค์เนี่ยนะมีอยู่ในพระองค์พระองค์น่าจะอยู่จนถึงปัจจุบันนะบอกว่าก็ไม่มีใครมีบุญพอที่จะได้รับการส่งเคราะห์จากพระองค์โดยตรงก็เลย พระพุทธเจ้าตถาคตเนี่ยนะตถาคตโตเสด็จไปดีแล้วนะสุขโตไปดีแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปอะไรหรอกมาโทษเราว่าบุญน้อยแค่นั่นแหละสรุปคำว่าตถาคตนิดหนึ่งว่าตโทโอวิปปีโตจะอคทโทยะสะสัตธุโนวสะสาวะตีติโสเตนะโหติสัตธาตถาคตพระาศาสดาพระองค์ใด ทรงมีอนุภาพแท้ไม่วิปริตพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นผู้มีอํานาจเพราะฉะนั้นพระาศาสดาพระองค์นั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตเนี่ยนะอนุภาพของพระองค์เนี่ยจริงแท้ไม่วิปริตไม่วิปลาดไม่คลาดเคลื่อนทั้งนั้นและพระองค์ก็มีอํานาจจริงอะนะมีอํานาจสอนสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกขเนี่ยนะถ้าใครปฏิบัติตามคําสอนครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วบอกว่าไม่พ้นทุก์เนี่ยนะมีไหมเชื่อไหม เป็นไปได้ไหมว่าถ้าปฏิบัติตามครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างแล้วดับทุกไม่จริงพ้นทุกไม่ได้อะไรไม่มีเพราะว่าพระองค์เนี่ยอนุภาพของพระองค์เนี่ยเป็นจริงแท้จริงๆอ่ะนะสรุปว่าพระาศาสดาพระองค์นั้นคือใครคือพระตถาคตพระตถาคตพระองค์นั้นอัปติปุคละสะหรืออัปตปิบุคโลเนี่ยนะปราศจากบุคคลที่จะเปรียบได้นะถ้าเป็นมวยก็ยังมีคู่เปรียบกันใช่ไหม โดยมากเอาอะไรอะไรก็จะมีคู่เปรียบกันฉันใดบุคคลอื่นไรเล่าชื่อว่าจะสามารถให้คําปฏิญาณรองรับว่าเราเป็นพุทธะไม่มีที่เรียกว่าไปแข่งดีเนี่ยนะก็สมัยพุทธกาลถ้าใครอวดอ้างตัวว่าเป็นสัพพัญยูไม่สามารถเฝ้าพราะพุทธเจ้าได้อันนั้นก็เรียกว่าใช้ฉุดใช้อะไรเกวียนลากมาก็ลากมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครที่ยืนยันปฏิญาณตนจะเข้าเฝ้าได้เขาก็มีเคยท้ากันเนี่ยนะเคยท้า พระ อ, องค์ก็ไปนั่งรอเลยมากเลยท่านวไม่มีใครจับตัวให้คนนั้นให้ขยับได้ถ้าขยับตัวจากตรงนั้นทับศรีรษะแตกเจดเสียงเลยเนะ น, นี่ยนะท่าีเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงชื่อว่าผู้ที่ไม่มีบุคคลเปรียบเนี่ยนะแต่ว่าพระ อ, องค์จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำให้คนสิ้นชีวิตอยู่แล้วอํานาจของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อทําปาณาติบาตเนี่ยนะอนุภาพของพระ อ, องค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมีบุญขนาดว่าไม่ต้องใช้ปาณาติบาต เข้าไปครอบงำสัพพสารด้วยปานาติบาตไม่ต้องครอบงำสัพพสารด้วยอธินาทานไม่ต้องครอบงมสัพพสารด้วยกาเมด้วยมูสาด้วยพฤสวาราพิสุณาวาจาด้วยอภิชาพยาบาดมิชาทิฐิเหล่าใดไม่เหมือนอํานาจของชาวโลกทั้งหลายผู้มีอํานาจทางชาวโลกคืออะไรฆ่าคนที่ตัวเองคิดว่าสมควรตายเรียกว่าอำนาจในโลกเรียกว่าริบเอาทรัพย์คนอื่นที่คิดว่าตัวเองสมควรริบเขามา หรือว่าถ้าเป็นอนุภาพโบราณด้วยแล้วก็แบบว่าชุดบุตรภริยาของผู้อื่นตามที่ตัวเองต้องการนะนะมูสาใครก็ได้หลอกใครก็ได้ดาใครก็ได้เป็นต้นอันนั้นคืออำนาจแบบทั่วไปในทางโลกแต่พระองค์ไม่ใช่อำนาจแบบนั้นนะอนุภาพของพระองค์อำนาจของพระองค์ก็คืออำนาจที่เรียกว่าคนฆ่าอยู่พระองค์ทําให้ไม่ฆ่าได้คนลักคนขโมยคนปล้นคนโกงมาฟังทำแล้วมันลูกเป็นพระ้าหันได้เลยเนี่ยนะนะเลิกเลยก็มี อำนาจของพระองค์ทําให้ผู้ที่ผิดกาเมมากอย่างเช่นนายกาละหลานอนาถเนี่ยนะผิดกาเมมากพระองค์แสดงธรรมบรรลุเป็นพระโสราบันไปเลยนะคนที่เรียกว่าเลวไหลปลิ้นป้อนเป็นต้นพระองค์สอนให้ตรัสรู้มานักต่อนันกแลนะ้วว่างั้นเนี่ยเพราะพระองค์เป็นผู้มีอํานาจแก้คนเลวให้เป็นคนดีแก้ปุตชุนนะตชนให้เป็นพระอาริยะเนี่ยนะแก้ปุตชชนให้เป็นพระโสดาบันพระสกาธาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์แก้คนที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์เนี่ยนะ แกผู้ที่ไหลไปตามวัตตะให้พ้นจากวัตตะเนี่ยนะา น, นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สูงสุดบริบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ล่ะอำนาจของพระองค์แผ่เขาไม่ค่อยค่อยถึงใจแล้วใช่ไหทำไมน้องเนี่ยนะเพราะปิดใจรับอำนาจพุทธะบอว่าโลกนี้ทำอะไรก็ได้นะปิดตาปิดหูซะก็หมดเลยเนี่ยนะ ปิดตาไม่ให้มีทัศนานุตริยะปิดหูไม่ให้มีสวาวานุตริยาก็ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วใช่ไหมเราก็สามารถอยู่ในตัวเองได้แล้วเหมือนเป็นเหมือนเคยเห็นตัวตัวหไหมไหมตัวนอนไหมอะ่ะมันหุ้มตัวเองไนดะ้อย่างสนิทเลยนะคนอื่นเนี่ยไม่ยุ่งกับชั้นเด็ดขาดเนี่ยนะนะบางคนนี่ก็ปกปิดตัวเองได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ใช่กลุ่มนั้นนะนะเปิดตาที่จะเห็นแสงสว่างแห่งพุทธรัตะนะเปิดหูที่จะฟังคำํำสอนเปิดใจที่จะคิดตาม คำสอนถ้าปิดตาไม่เห็นไ ม, ไม่ไม่ได้เห็นพระรัตนะ์ตรายปิดหูที่ไม่ฟังคําสอนปิดใจที่ไม่สนใจคําสอนเนี่ยนะถ้าทําเช่นนั้นก็คือบอดสนิทในอริยวินัยนี้เนี่ยนะมันก็เปิดตาให้เห็นพระพุทธรัตนะเปิดหูให้ฟังธร ร, รมรัตนะ์เปิดใจให้ปฏิบัติตามพระสังฆ ร, ร, รัตนะทั้งหลายก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือพระตถาคตพระองค์นั้นเนี่ยนะ มีกรุณาได้เกิดขึ้น อ, อุบัติอุบัติอุบัติก็คือเกิดอะไรอุบัติขึ้นก็คือความความที่พระองค์มีกรุณานั่นแหละเกิดขึ้นสัพพะสัตวเตครอบคลุมไปสัตว์ไม่มีเหลือหมู่สัตว์ทั้งสิ้นซึ่งคถาที่ที่กล่าวไปแล้วทวนอีกนิดเนี่ยว่าความมีกรุณาในสัพพสัตว์เกิดขึ้นแด่พระตถาคตคือพระตถาคตผูดอะไรนะแปดในใช่ไหม พระตถ า, าคตรพระองค์อ่ะเช่นผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้เห็นธรรมะที่ทองแท้เห็นสัจจะที่ทองแท้เป็นต้นพระองค์เนี่ยมีพระมหากรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะพระองค์ผู้คงที่รุ่งโรดด้วยรัศมีทางร่างกายและปัญญาทรงไว้ซึ่งสเรระสุดท้ายไม่มีบุคคลเปรียบปานเนยนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะ พอพรหมอาราธนาจกพรองยังกรุณาให้เกิดขึ้นในสรรพสัตว์ทั้งหลายพิจารณาเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงว่าคือพอฟังคําของพรหมจบพระองก็ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายเลยสัตว์ทั้งหลายแบ่งเป็นสองกลุ่มพวกพภะกะับอาพพภะเนี่ยนะพภะแปล ว, ว่าพวกควรบรรลุได้กับผู้ที่บรรลุไม่ได้แบ่งเป็นสองพวกพวกที่บรรลุได้เนี่ยก็แบ่งเป็น อุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยะบุคคลอุคติตันยูก็แบ่งตามจริตวิปัญจิตันยูก็แบ่งตามจริตนะนันนยะบุคคลก็แบ่งตามจริตอุคติตันยูเนี่ยนะแต่และจริตเหล่านั้นเนี่ยจะต้องใช้พระธรรมเทศนาหมวดใดมีกี่กลุ่มเป็นต้นใครควรพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบหมดแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าดูก่อนพรมประตูคืออริยมรรคแห่งอมตะนครคือพระนิพพานเราเปิดสําหรับท่านแล้วละ คือคือพระนิพพานเนี่ยมีอยู่แต่ว่าประตูให้ถึงพระนิพพานเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญถ้าไม่มีผู้ใดเปิดประตูคืออริยมรรคเข้าเพราะประตูของพระพุทธเจ้านี่มันต้องมีองค์ประกอบประกอบด้วยองแปดนะไม่ใช่ว่าเปิดแบบประตูอื่นๆไม่ใช่ต้องประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่รียว่ากุญแจที่จะไขเนี่ยเขาเรกว่ากุญแจประกอบไปด้วยองแปด มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นใชเหมือนกับไขเปิดประตูบางอย่างใชต้องกุญแจเขามีเหลี่ยมมีอะไรของเขาอ่ะมานะตามระบบฉันใดกุญแจของพระพุทธเจ้าที่จะไขประตูแห่งพระ น, นิพพานต้องเป็นประกอบไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8บอกว่าพราะองค์เปิดสําหรับท่านแล้วประตูเพื่อพ้นจากความตายเนี่ยนะอมาตะแปล ว, ว่าไม่ตายประตูเพื่อพ้นจากความตายเราเปิดกับท่านแล้ว ขอสัตว์ที่มีโสตประสาทมีหูเนี่ยนะจงปล่อยศรัทธาออกมาเถอะถ้าท่านมีหูขอให้ท่านเต็มใจเถอะถ้าหูยังดีอยู่หูไม่เสียหูไม่เน่าหูไม่หนวกเป็นต้นเนี่ยนะขอให้มีศรัทธาอย่างเดียวใช้ได้ถ้ายังมีหูและมีศรัทธานะสำเร็จใช้ได้ปัญหาเนี่ยหูมีอยู่ศรัทธาไม่มีไอพ่อหูเสียทําท่าจะพอมีศรัทธาแต่อย่างเงี้ยยุ่งแต่ถ้าหูก็ดีก็ที่เหลือก็เปิดศรัทธาเถอะปล่อยศรัทธาออกมาเถอะปล่อยใจตามพระพุทธคุณเต็มที่เถอะ แต่ก่อนเราสําคัญว่าลําบากเปล่าคิดว่าจะเหนื่อยเปล่าก็เลยไม่กล่าวทำรรอันประณีดนะคือโพธิปัจิยธรรมที่ประณีดเนี่ยนะที่เราชํานาญเป็นอย่างดีในหมู่มนุษย์ที่แรกก็คิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยเปล่าเนี่ยนะที่จริงก็คําพูดนี้ก็ปรารบเพื่อที่กล่าวว่าเออเนี่ยที่ที่เราจะเทศจริงๆก็รอให้พรหมรัตนานั่นแหละ เพราะว่าเป็นธรรมเนียมเป็นเรียกว่าเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่แสดงธรรมนั้นพรมจะต้องอาราธนาแต่อาราธนาครั้งเดียวถือว่าตลอดไปเนี่ยนะเรียกว่าถือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทุ่ยทุกที่ทุกคนทุกแห่งถือว่าพรมอาราธนาหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาแม้แต่นิดเดียวปั๊บพรมจะลงมาพรมเนี่ยเคยลงมา ม, มีอยู่คราบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าประ น, นามภิกษุบอกว่าไปภิกษุเธอทั้งหลายอย่าอยู่ร่วมกับสำนักเราไป พรมีลงมาเลยเนีเนยมาสงสารเขาเถอพระเจ้าค่ะดูสิเขาก็เหมือนกับลูกโคอ่อนๆตัวน้อยๆเนี่ยนะถ้าไม่ได้ดื่มนมโคจะเป็นยังไงภิกษุเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่บวชเข้ามาใหม่ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาจะเป็นอื่นเหมือนพืชน้อยๆที่ถ้าขาดน้ำมันก็จะเช่าชันใดภิกษุเหล่านี้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะฉันนั้นก็จะมีการมาราธนาพระพุทธเจ้ามาขอร้องเพราะฉะนั้นถ้าดูท่าจํานี้ก็พร้มเหล่านี้จะมา คือพรหมเนี่ยนะจริงๆอ่ะที่ถ้าเขาไม่แน่จริงเขาเป็นพรมไม่ได้ถามว่าคุณธรรมที่เขาให้เป็นพรมคืออะไรเขามีเมตตาเขามีความคิดว่าทำชะไหสัตว์พืงได้ประโยชน์แต่เขาไม่มีความสามารถเหมือนกับพระพุทธเจ้าเขามีแต่เมตตาแต่เขาไม่มีความสามารถไม่มีปัญญาเช่นกับพระพุทธเจ้าไม่มีสัพพัญยุตยานไม่มีคุณอ่าเรียกว่าไม่มีวิสัยที่จะช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์โดยลําพังตัวเองแต่เขามีเมตตา เขาเขามีเมตตาเขาบอกพรหมเนี่ยก็เหมือนกับเห็นผู้อื่นเป็นบุตรนะนะเห็นผู้อื่นเป็นบุตรไปหมดเป็นลูกของเขาที่ทุกคนควรได้รับประโยชน์แต่ว่าแหมมันแค่ว่าพรหมเนี่ยสมมติว่าพรหมมีความคิดว่าเออพวกนี้มันก็เด็กๆลูกของเราทั้งนั้นแหละ พระพุทธเจ้าก็เหมือนกับครูสอนใช่ไหมครูทําท่าจะเหนื่อยนายอ่าพรอเนี่ยก็มาขอร้องเออเด็กๆพวกนี้มันก็อย่างนี้เลยเห็นใจก็หน่อยเธออะไรงี้ยนะคล้ายๆแบบนั้นอ้าครูก็มีเรียวมีแรงทีหนึ่งคล้ายๆแบบนี้นะแต่ครูคือพระพุทธเจ้าบางทีนั้นจะต้องอ่าใครจะว่าต้องอาศัยอํานาจของพรมเนี่ยมาช่วยในบางกรณีเนี่ยนะแต่หลายๆอย่างก็เป็นพุทธวิสัยเป็นบุญที่พระองค์ทรงสั่งสมมาพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ใช้คนเป็นที่สุดเนี่ยนะใช้คน เรกว่าเอาพรมมาใช้งานก็ได้เอาเทวดาเอามนุษย์เอาสัตว์ระดับล่างเอาเสียงนรกเสียงอะไรมาใช้งานได้หมดเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เป็นสุดยอดของครูที่สามารถเอาความรู้ความสามารถของสัตว์ทั่วหน้ามาใช้งานได้หมดแม้กระทั่งเอาคนเร็วๆเนี่ยมาใช้งานจนสําเร็จได้ก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าก็มีผู้ถามว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมให้สุนัขะตากดิฉวิบุตรที่เร็วขนาดนี้เนี่ยนะ พระพุทธเจ้าไม่รู้หรือว่าสุนัขคตาลิชวีบุตรจะมาด่าพระพุทธเจ้าขนานี้ขณะนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้ทําไมจะไม่รู้เอาแล้วทําไมให้มาบวชอุ้มบาตามเป็นต้นในที่สุดว่าคนนี้แหละจะปฏิวัติพระพุทธเจ้าพระองค์รู้แต่ว่าในเมืองเรียเมืองเวสาลีภัยาลีเนี่ยนะไม่มีใครประชุมประชาชนพร้อมทั้งกษัตริย์ได้เท่ากับสุนัขคตะลิชวีบุตรเพราะฉะนั้นอาศัยแรงคนนี้ให้ไปโพลธนาไปประชุมรวบรวมคน พระองค์ก็แสดงอริยสัจเขาก็บรรุษหาประมาณไม่ได้ส่วนลิชวีบุตรก็ไปตามทางใครก็ทางใครเนี่ยนะกรร ม, มสโกโมหิตอยู่แล้วละ่ะนะสุดแท้แต่กรรมแต่ว่าพระองค์ก็ถือว่าใช้งานเขาได้แต่ถามว่าใช้เปล่าใช่ไหมบอกไม่เพราะว่าพระองค์เนี่ยได้สร้างอุปนิสัยให้สุนัขข่าฤิชวีบุตรเรียบร้อยแล้วอุปนิสัยแห่งการบรรลุมักผลเนี่ยนะแต่เฉพาะชาตินี้เขาเป็นอภัพเป็นพวกอภัพพ่อหลายพราะอดีตนี่สั่งสมมิฉาทิถิมามาก เขาไม่เคยสั่งสมบุญมาเท่าไหร่แต่ว่าเข้ามาได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเป็นวาสนาเป็นบุญเป็นวาสนาที่จะให้เขาได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตยังไงก็ไม่เคยอานะสงไขยสองอาสงไข่ขหรอกเนี่ยนะก็าสามารถตรัสรู้ในอนาคตได้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าชาตินี้ก็เป็นพวกอาภัพท่านนั้นเองจะตกนรกบ้างอะไรบ้างก็แต่ว่าให้มันมีบุญเจือเจอไปบ้างนะมีอุปนิสยัยวิวัตตะไปบ้างก็ดีแล้วเนี่ยนะ ครั้งนั้นเลยท้าสามบดีพรมเนี่ยนะหลังจากที่รู้ว่ า, าพระองค์เนี่ยนะพระองค์คือพระพุทธเจ้าเรียเราอาราธนาพระองค์พระองค์ก็รับที่จะเปิดโอกาสเพื่อการแสดงธรรมแลวพรมก็รู้แล้วนะว่าที่มาอาราธนานั้นไม่ไร้ผลเนี่ยนะพรมมาจโรกาติปฏิสามปฏิเนี่ยคอาราธนาของพรมเหล่านี้ไม่ไร้ผลซึ่งพระองค์ก็รับปากว่าจะแสดงธรรม รักคำที่รับปากว่าแสดงธรรมก็คือว่าดูก่อนพรมประตูประตูคืออริยมรคแห่งอมตานครคือพระนิพานเราเปิดสำหรับท่านแล้วลาขอเหลาสัตว์ที่มีโซต่าประสาิมีหูก็ปล่อยศรัทธาออกมาเถิดแต่ก่อนเราสำคัญว่าจะลำบากเปล่าจึงไม่กล่าวทำอันประนีที่ชำนาญในหมู่มนุษย์พอรู้ว่าพราะองค์รับอาราธนายอย่างนี้ก็ประคองอันฉลีอันรุ่งเรืองด้วยสิบนิ้วประชุมกันกรวัด ท่าศาณขสมุทานกร์เก ว, ว่าสินิ้วอันรุ่งเรืองประชุมกันเนื้อเสียงกล้าวถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณเดินเวียนขวาอันพรมทั้งหลายแวดล้อมก็เสด็จกลับไปเนี่ยนะเก ว, ว่าจริงๆอมาตั้งหมื่นโลกกระธาณนะม า, าราธนาเนี่ยมาเยอะมากเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ครั้นปฏิญญากแก่พรมนั้นแล้วก็ดำเนินว่าเราควรจะแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนาะ ใครนาะเนี่ยนะพอที่จะได้บรรลุอริยสัจแสดงธรรมก็คือแสดงอริยสัจเนี่ยควรจะประกาศอริยสัจให้ใครฟังก่อนนาะก็เกิดความคิดขึ้นว่าอาะละรดาบทเป็นบัณฑิตจากรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันถามว่าทำไมจึงตารบอรร ะ, ะดาบทก็เพราะว่าท่านเหล่านี้ได้สมาบัตมานานมากอากุศลแทบไม่กลุ่มรุมเลยแทบจะแทบเรียกว่าแทบจะใจไม่เศร้ามองเลยอะ่ะเพราะฉั้นท่าพวกนี้สมควรจะฟังอริยสัจและบรรลุเร็ว แต่ก็ทราบว่าตายได้เจวันพอดีถ้า ต, ตอนนี้ก็อาจจะทําบุญเจวันพอดีเลยใช่ไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นตายไป7วันนะก็คิดถึงอุทกะดาบทก็บอกเพิ่งตายไปครบคำ่ำหนึ่งตายเมื่อคืนนี่เองที่จริงที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเหล่านี้ไม่ใช่พุทธเวไนยเนี่ยนะไม่ได้สะสมบุญมาเพื่อพอจะตรัสรู้เพราะว่าผู้ที่ตรัสรู้ครั้งแรกจะต้องเป็นพระอัญญาโกณัญญะเท่านั้นเพราะได้ตั้งความปรารถนาไ ว, ว้แล้ว พระองค์ก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์เรกว่าพวก5้านี้อยู่ที่ไหนเนาก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิศิปตนะมรุกขายวันแขวงกรุงพารณสีพอราตรีสว่างวันเพนอาสาลหะแต่เช้าตรู่เลยนะก็คือวันเรกว่าก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันนะนะเข้าพรรษานี่จะต้องเป็นวันแรมหนึ่งค่ำอาสาลหะเนี่ยเป็นวันวันขึ้น15บหาค่ำเนี่ยนะขึ้น15บหาค่ำวันเพนเดือนเดือน8เนี่ยนะวันเพนเดือน8ดเนี่ย วันนั้นแนหะพอสว่างพระองค์ก็ถือบาจีวรเดินทางประมาณ18บแปดโยกจากไหนจากจากนี่แหละบริเวณที่ตรัสรู้นะจากบริเวณไม่ไกลาจากแถวพุทธคยาเท่าไหร่ไปกรุงพาราณสีระยะทางประมาณ18บแปดโยกก็200กว่ากิโลนะนี่ก็200กว่ากิโลนะนั่งรถตุเรงตุเรงตุเรงไปก็แหมสองกว่ากิโลแขกนี่เอาเรื่องถ้ากิโลไทยก็ไม่เท่าไหร่นะกิโลแขกนี่หนักใจเกัน หลายคนว่าโอ้ยปฏิเสธแล้วรถไฟดีกว่าก็งั้นเลหลายคนว่าโอ้ไม่เอาหรอกรถทัวร์รถยนเน่ยเขาจะไปรถไฟอย่างเดียวก็งั้นกลัวถนนยิ่งหน้านี้ปีนี้รู้เป็นยังไงไม่รู้ฝนดีขนาดนี้เนี่ยนะถน น, นเละเลยนะเดี๋ยวจะไปลองดูก่อนเดี๋ยวไปสรวจทางให้ระหว่างทางเนี่ย น, นะระหว่างทางก็พระองค์ก็ไปพบอุปกาชีวกนักบวชอาชีวกอันนั้นนักบวชนุ่งลมหอมอากาศชื่อว่าอุปกา ระหว่างทางเนี่ยเรียว่าระหว่างต้นโพกับเมืองพาราณสีเนี่ยนะไอ้ช่วงระหว่างทางเนี่ยก็พบไอ้อุปการเนี่ยพระองค์ก็บอกเขาว่าพระองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าปกติแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะจะไปแสดงธรรมจักต้องเหาะไปแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเล็งเห็นอุปนิสัยของอุปการว่าถ้าพระองค์เหาะไปอุปการก็ไม่เห็นพระองค์ถ้าไม่เห็นพระองค์เนี่ยเขาจะไม่ได้ฟังธรรมในตอนท้าย แต่ถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยนะไปให้เขาเห็นหน้าได้มีการสนทนากันเขาก็จะสําคัญพระองค์ว่าจะเป็นที่พึ่งในยามตกยากในยามตกยากเพราะว่าอุปการนั้นหลังจากที่ได้พบปะสนทนากับพระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็ไปหลีกไปที่ชนบทชนบทหนึ่งเขา้าไปแต่งงานถูกเมียด่าก็เลยกลับมาหาพระพุทธเจ้าฟังธรรมบรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีก็ไป ปฏิสนธิที่สุดทาวาดก็พอปฏิสนธิก่รบรรลุเป็นผ้าอหารเลยที่ที่สุดทาวาดนู่นเนี่ยนะก็พระองค์เห็นอุปนิสัยเนี่ยถ้าหากว่าอุปการไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็จะอดบุญเนี่ยนะอดบุญจะเสื่อมจากบุญส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมจักก็ตรงนี้ห็ันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ นะสุด ว, ว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระองค์เนี่ยเปิดประตูอมตะนครเนี่ยนะหรือเปิดประตูแห่งพระนิพพานสําหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะพุทธพจน์อันนี้ตรัสอย่างใดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้เปิดประตูแห่งพระนิพพานได้สำเร็จทั่วนหน้ากันอนุมโมทนาสช่ไหม